การปฏิบัติธรรมคำคำนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายถ้าเป็นสักสามสิบสี่สิบปีก่อ น, นก็อาจจ ะ, ะสงสัยว่าคำนี้มันหมายความว่าอย่างไรแต่ว่าไอความเข้าใจหรือว่าความคุ้นกับคำนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่า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 การประพฤติ ธ, ธรรมก็มีตั้งแต่พื้นฐานก็คือการให้ทานการให้ทานที่ก็เป็นปฏิบัติธรรมนะถ้าวางจิตวางใจได้ถูกอย่างที่ผู้ไว้เมื่อหวานการรักษาศีลก็เป็นการปฏิบัติธรรมถากว่ามันเป็นการลดละโลภะโทสะโมหะหรือว่าขัดเกลากิเลสในใจตน ภาวนาหรือการทำกรรมฐานนี่ก็ก็ใช่นะอันนี้การทำกรรมฐานเนี่ยมันมีมากมายหลายวิธีนะจะไปเข้าใจว่ามีวิธีเดียวพระอัศกถาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านก็จำแนกว่ากรรมฐานนี่มี4ี่สิบี่สวิธีอาการระ ล, ลึกถึง พ, พระพุทธรรมประสงค์ก็เป็นปฏิบัติธรรมได้เขาเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติาการระลึกถึงความดี ท, ที่ได้ทำก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมได้นี่เรียกว่าศีลานุสติาการระลึกถึงเทวดาอารักษ์ที่เป็นตัวทแทนความดีที่ทําให้เกิดความอบอุ่นใจ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 อื่นๆที่พูดมาเมื่อสักครู่ก็มีจุดมุ่งหมายกันไปคนละแบบเช่ น, นเพื่อทําให้เกิดศรัทธาเกิดความอบอุ่นใจเมื่อได้ระ ล, ลึกถึงพระรัตนตรยัยหรือเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทเพราะว่าได้เจอมรณะสติเกิดความรู้สึกเร่งรีบในการที่ต้องทําความดีหรือว่าการทํากรรมฐานเพื่อฝึกให้เกิดมนีเมตตากรุณานในใจ ดับความโกรธความรม่ความรุวมร้อนความพยายามนี่ก็ก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่ละวิธีก็มีจุดหมายต่างกันอันนี้สติปัฏฐานที่บอกไว้แล้วว่าจุดมุ่งหมายคือเพื่อเพิ่มพูนสติโดยเพราะสัมมาสติให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวใน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 แต่ว่าบางคนไม่เข้าใจก็จะไปพยายามคิดขึ้นมานว่าฉันกําลังยกมือนะฉันกําลังเดินอันนั้นเป็นความคิดนะมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่มันไม่ต้องอาศัยความคิดอย่างที่เราได้ฟังนะที่คูณอาคงสาวพูดถึงเรื่องหลวงปู่ดุลที่ตั้งผู้วเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะ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 จะฟังก็ต้องใช้หูจะใช้ตารับเสียงไม่ได้นะมันคนละหน้าที่ฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจเรื่องของจิตนะที่จะรับรู้ทาหน้าที่นี้มันไม่ใช่เรื่องของความคิดเพราะฉะนั้นคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกตัวนะจนกว่าจะหยุดคิดแล้วก็ใช้ใจสาหรับคนที่ อยู่กับความคิดมาตลอดใช้ความคิดกับทุกเรื่องแม้กระทั่งเวลาปฏิบัตินะก็ยังใช้ความคิดเนี่ยก็จะยังไม่สามารถจะเข้าถึงหรือเกิดความรู้สึกตัวได้จนกว่าจะวางมันลงซะเพราะในการปฏิบัตินะของรลัทธิเทียนหรือว่าการจริญสติปัฏฐานก็จะไม่มีบริกรรมตร์ใดที่ต้องการให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ชาติบริกรรมก็ต้องการให้จิตสงบเป็นสมาธิ อันนั้นก็กเลือกถึงจุดมุ่งหมายมันแตกต่างกันไปก็ไม่ผิดนะเพราะว่าอย่างที่บอกกรรมฐาน ม, มีหลายวิธีมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นเรื่องความสึกตัวเรื่องสติแล้วนี่มันมันไม่ต้องใช้บริกรรมแค่ใจเข้าไปรับรู้รับรู้แบบสดสดนะสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าโดยเพาะการเคลื่อนไหว ในแต่ละขณะแต่ละขณะที่เกิดขึ้นต่อเมื่อไม่มีความสึกตัวหรือเกิดความหลงเมื่อไหร่ไอความรู้สึกว่ามีตัวกูมันก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ตัวกูมันเกิดขึ้นนะหรือเกิดมีความสําคัญไมหมายว่าตัวกูเนี่ยมันแปลว่าหลงละมันแปลว่าไม่รู้สึกตัวแล้ว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 นะแต่พอรู้ตัวขึ้นนะการปรุงแต่งก็หยุดดับไอความรู้สึกหรือสําคัญมาหมายว่าตัวกลวงก็หายไปเหมือนกับความมืดมันหายไปเมื่อเจอแสงสว่างสาดส่องเข้าไปให้เวลาเราเจริญสติเวลาเราเดินจงกลมเนี่ยนะหากว่ามันมันมีความรู้สึกว่าตัวกูตัวกูนะ ทำโน่นทำนี่ในแสดงว่านั่นไม่ใช่ส ต, ตินันไม่ใช่ความรู้สึกตัวะใครที่ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะก็จะเข้าใจนะโดยเพราะตอนที่ท่านว่าด้วยเรื่องเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณห า, าผัสสะก่อนผัสสะเป็นปัจจัยเกิด เวทนาเวทนาเป็นปัจจ mm ัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปทานแล้วก็เกิดภพชาติตามมาภพชาตินี่นะมันไม่ใช่หมายถึงเกิดเป็นตัวเป็นตนในชาติต่อไปนะแต่ว่ามันหมายถึงความรู้สึกว่ามีตัวกูขึ้นมาไอ้คว่าชาติเนี่ยนะคือการเกิดไอ้คว่าชาติคือมันเกิดความรู้สึกว่าตัวกูขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นเพราะมีอุปทาน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 ความโกรธความเศร้าความเสียใจถ้ามีสติมันก็จะเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจแต่ถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่มันก็เกิดความรู้สว่าฉันโกรธฉันปวดฉันเอาฉันโกรธฉันเศร้าฉันเสียใจฉันคิดรวมั้งฉันเครียดไอตัวฉันมันเกิดขึ้นตัวฉันมันรู้สึกว่าเป็นเจ้าข้อเจ้าของนั่นนี่หรือทํานั่นทํานี้ก็ในยามที่ไม่มีสติ เวลาเราเดินจงกลมเนี่ยช่วงที่เราไม่มีสติเนี่ยนะมันก็จะก็จะไปคิดว่าเนี่ยฉันเดินฉันยกมือแต่พอมีสติปุ๊บไอความคิดปรุงแต่งว่าฉันทำโน่นฉันทานี่ก็หายไปมันมีแต่รูปที่กาลังเดินกายที่กำลังนั่งหรือว่าใจที่คิดหรือมีความคิดเกิดขึ้นที่ใจมันจะไม่มีตัวฉัน ว่าเดินว่าคิดว่าโกรธว่าเครียดนะถ้วความแตกต่างตรงนี้นะเห็นเนี่ยกับเป็นมันต่างกับตรงนี้นะถ้าเห็นเนี่ยมันไม่มันไม่เป็นเป็นเนี่ยมันหมายความว่ามันมีตัวกูขึ้นมาแล้วเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยผู้คิดผู้โกรธผู้เครียดแต่ถ้ามีสติ ป, ปุ๊บนะมันเห็นแต่ความปวดความเมื่อยมันเห็นแต่ ความโกรธมันเห็นความเครียดปัญสติเนี่ยนะมันหลวงพ่อคำเห็นท่านใช้คําว่ามันเป็นตัวถลุงนะตัวถลุงถลุงนี่เราใช้กับแร่นะขีแร่นี้เราถลุงจนแยกแรกออกมาเป็นส่วนส่วนสติมันถลุงไอตัวความสําคัญมันหมายว่าตัวกูเนี่ย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 แต่ถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่นะมันก็ไปปรุงว่าเนี่ยกายเป็นเราเวทนาเป็นเราจิตเป็นเราจิตในที่นี้เนี่ยหมายถึงความคิดหรืออารมณ์นะที่มันปรุงแต่งซึ่งบางทีเรียกว่าจิตตสังขารรวมทั้งราคะโทสะนะนั้นคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีความรู้สึกสำคัญมันหมายว่ามีกู ของกูตลอดเวลานะเวลาที่เรามีสติเมื่อไหร่นะในตัวกูก็หายไปหรือความสําคัญมันหมายว่าตัวกูก็หายไปในเพราะฉะนั้นกิเลสมก็หายไปด้วยเอาคนเราถ้ามีกิเลสอยู่ตลอดเวลานี่มันบ้าแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีกิเลสตลอดเวลามันมีภาวะที่จิตว่างหลวงพ่อพุทธทาสใช้ว่าจิตว่างเป็นครั้งคราว ไม่ได้ตลอดเวลาจิตว่างนี่หมายถึงว่าว่างจากความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวตนจะเรียกว่างจากกิเลส ก, ก็ได้ว่างจากอัตตาตัวตนก็ได้แคนเรามันจะมีภาวะที่จิตว่างจากกิเลสจากอัตตาตัวตนอยู่ตอนที่มีความรู้สึกตัวตอนที่มีสติ แต่คนทั่วไปก็ไม่ใช่ว่าจะมีสติต่อเนื่องหรือจะมีความสึกตัวต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอาจจะเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่รู้สึกตัวมากกว่าส่วนใหญ่จะหลงมากกว่าก็จะมีตัวกูขึ้นมามีของกูขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยทุกได้ง่ายมีอะไรมากระทบตัวกูอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้ทุกข์นะอยู่บ่อยบยน่นะทุกทั้งวันก็ได้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 ไม่มีกิเลสเข้ามาแทรกหรือมาครอบงำกำกับอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้ใจโปร่งเบานะใจไม่ทุกไป อ, อย่างต่อนเนื่องเท่าไหร่ความสุขตอนทำให้ใจเบาเพราะว่าในภาวะนั้นเนี่ยมันไม่มีความสำคัญมากหมายว่าตัวกูหรือไปแบบไปยึดอะไรต่างๆ่าเป็นของกู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 สติและความรู้สึกตัวนี่เป็นตัวสลายอัตตาตัวตนนะอันนี้พูดแบบง่ายๆเพราะจริงๆตัวตนไม่มีตั้งแต่แรกแล้วมันมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นหรือความสำคัญมาหมายไม่มีตัวกูเคยไลฟยฟังแล้วถึงเรื่องท่านพายิยะนะซึ่งตามหาพระพุทธเจ้าเพราะว่าอยากจะพบพระอรหันต์ที่แท้ ก็เดินนะเป็นวันเป็นคืนไม่ได้หยุดเพื่อมายังเชตวันก็มาถึงขณะที่พูะเจ้ากำลังเส็จออกบินธบัตอท่านพายายานน้ไฟแรงมากมาถึงปุ๊บนี้ก็ไม่รออิรักใข้อลมนะรัตนาให้พู้เจ้าแสดงธรรมเดี๋ยวนั้นเลยท่านั้งที่ยังไม่หายเหนื่อยเลย พระรูปก็ไม่แสดงธรรมเพราะทรงเห็นว่าเนี่ยจิตของท่านพะยะยังไม่พร้อมอยังร้อนเร่าอยากรู้ธรรมไอ้ความร้อนเร่าอยากรู้ธรรมนี่มันก็ไม่ใช่ดีนะสำหรับการปฏิบัติสําหรับการฟังธรรมต่อเมื่อจิตของท่านพะยะนี่ค่อยๆสงบลงหลังจากที่พระรูปเจ้าปฏิเสธถึงสามครั้ง พระองค์ก็แสดงธรรมแสดงธรรมกลางถนนเลยนะว่าเนี่ยเมื่อเห็นรูปก็สักตว่าเห็นรูปนะเมื่อได้ยินเสียงก็สักตวันได้ยินเสียงเมื่อรู้อารมณ์ก็สักตะวันรู้อารมณ์นะเมื่อรู้แจ้งในธรรมอารมณ์ก็สักตว่ารู้แจ้งในธรรมอารมณ์เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีไม่มีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองเมื่อนั้นแหละเป็นที่สุดแห่งทุก สันานพยาานี่ได้ฟังก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันตันทีเลยได้ชื่อว่าเป็นเอตทักคะด้านตัดสดูเร็วแต่ว่าไม่ทันได้บวช น, นะเพราะว่าพอออกไปจากที่นั้นจะไปหาเครื่องบริขารก็โดนวัวขิดตายแต่ว่าคําสอนของพระพาทธเจ้าที่สําคัญมากนะเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือเรื่องสตินั่นแหละเมื่อเห็นสักตวะว่าเห็นเมื่อได้ยินสักตวะว่าได้ยินนะ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 เมื่อมีตัวกูนั่นแหคือที่สุดแห่งทุกข์สติเนี่ยมันเป็นอู่บายมันเป็นมรรควิธีในการสลายตัวตนเช่นเดียวกับความรู้สึกตัวเพราะสติคือความระลึกได้สัมปัจชนยัคือความรู้ตัวนี่นั่นเป็นพี่น้องเป็นฝาแฝดกันสติที่ว่านี่ความระลึกได้นี่นก็ระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจ ไม่ลืมกายไม่ลืมใจเมื่อไม่ลืมกายไม่ลืมใจไม่หลงไปในอดีตอนาคตจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวความสึกตัวก็เกิดขึ้นไม่มความสึกตัวเกิดขึ้นในการปรุงแต่งว่าตัวกูมันก็ดับไปมันก็แปลกดีนะพอรู้สึกตัวก็ไม่มีตัวกูแต่พอไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็มีตัวกูขึ้นม า, างั้นการเจริญสติของเรานี่ก็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 ให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวความสึกตัวเกิดขึ้นเองเมื่อความสึกตัวเกิดขึ้นทำอะไรใจก็รู้เฉ่นหายใจเข้าออกยกมือสร้างจังหวะเดินหรือว่าขยับนิ้วหรือว่าเกลือ น, น้ําลายกระพริบตาอี่ได้บทน้อยใหญ่เหล่านี้เนี่ย ใจจะรู้สึกได้เมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาได้รู้สึกตัวได้ใจมีอยู่กับเนื้อกับตัวได้เพราะว่าใจไม่หลงไปอดีตอนาคตไม่หลุดออกไปนอกตัวได้สามเช่นั้นได้ก็เพราะมีสตินะไม่ลืมกายไม่ลืมใจหรือถึงจะเผลอไปออกไปอดีตไปอนาคตจมอยู่ในอารมณ์รู้สึกตัวรู้ตัวขึ้นมาะระลึกได้ขึ้นมา เึกได้ขึ้นมาก็ดึงเจกรรมมาอยู่กันเนื้อกับตัวความสึกตัวเกิดขึ้นไม่มีความสึกตัวเกิดขึ้นในความสําคัญว่าตัวกูก็หายไปชาติพศเนี่ยในคำ ว, ว่าชาติพศในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันขาดตอนนะวงจรมันขาดตอนนะก็คือว่าพอเกิดภาษาแล้วมีเวทนาปุ๊บหรือแม้มีตัณหาก็ตามมีสติ ก็มาตัดวงจร น, นั้นเมื่อมีสติวงจรก็ขาดไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ปรุงเป็นอุปท า, านพบชาติแล้วก็ฉรามรณะแต่ถ้าไม่มีสตินะั้นมันก็ไปจนสุดสายละผัสสะเวทนาตันนาอุปท า, านพบชาติชรามรณะอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนักร้อง ก็ทําให้เกิดความาดิ้นรนขนขวาเนียอาจจะซ้อมอาจจะคอยเกาะติดดาราคอยเรียนแบบในการกระทำเช่นนี้การขนขวายแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากรรมมะพบเป็นพบชนิดหนึ่งที่เรียกกรรมมะพบก็คือกรรมที่ทําให้เกิดพบเมื่อขนขคว่ยอย่างนี้อุตส่าห์ไปศึกไปฝึกไปซ้อมไปร้อง คอยติดตามดาราเรียนแบบเขาไอ้ความเป็นดาราความเป็นนักร้องค่อยๆเกิดขึ้นสภาวะความเป็นนักร้องก็เกิดขึ้ น, นแล้วอุปติภพไอ้ความเป็นนักร้องพอเกิดขึ้นก็เกิดความสําคัญเป้หมายแล้วทีนี้แล้วฉันเป็นนักร้องอันนี้ชาติเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ชรามารนาก็ตามมาเพราะว่าเกิดแล้วมันต้องมีเสื่อมต้องมีดับไป มันเกิดขึ้นในช่วงขนาดจิตหรืออาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่นานรู้สึกว่าฉันเป็นนักร้องแต่พอไปไปออกรายการหรือไปซ้อมเอาไปแสดงไปคัดเลือกบอกว่าตกโอ้เสียใจเสียความรู้สึกเลยนี่ฉันไม่ใช่นักร้องแล้วฉันเป็นนักร้องไม่ได้ชรลาโมรณะแล้วนี่แล้วตามมาด้ทุกโทมนัดนะความเศร้าโศกเสียใจใ ความทุกข์เนี่ยที่เรียกว่าทุกข์ใจเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อมีฉรามรณะและฉรามรณะเกิดขึ้นได้เมื่อมีภพชาติก็คือความสุกตัวกูพูดสั้นๆคือว่าไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นได้เมื่อมีตัวกูแต่พอไม่มีตัวกูแล้วความทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้ น, น th th ine, ทุกข์ใจนะไอ้ทุกข์กายกยังเกิดขึ้นอยู่เพราะว่าร่างกายของเรา ม, มันตกอยู่ภายใต้ความเสื่อม ไม่ว่าจะเป็นปุตตะหรือพออระอรหันต์ก็ต้องเสื่อมทั้งนั้นต้องเจ็บต้องป่วยต้องปวด ต, ต้องเมื่อยไม่มีอะไรกินก็หิวนะนั่งนานๆก็ปวดหรือว่าเจ็บป่วยนะก็เกิดทุกขเวทนาแต่ว่าใจไม่ทุกข์ด้วยนะเพราะว่าโดยเพราะเมื่ อ, อความรู้สึกว่าตัวกูมันไม่มีมันก็เป็นแต่เป็นเรื่องของกายนะกายป่วย แต่ว่าฉันไม่ป่วยด้วยกายปวดฉันไม่ไม่ปวดด้วยกายเจ็บฉันไม่เจ็บด้วยนะท้องหิวแต่ว่าฉันไม่ได้รู้สึกหิวด้วย น, ะนั่นถ้าเกิดไม่อยากทุกข์นะไม่อยากทุกข์ทนมานด้านนี้ก็ต้องนะจัดการกับความรู้สึกว่าตัวกูเนี่ยซึ่งวิธีที่สำคัญคือการสร้างสติความเอาความรู้สึกตัวขึ้นมามาแทนที่ความหลง รู้สึกตัวเมื่อไหร่ความหลงก็หายไปหรือพอมีสติเมื่อไหร่ไอ้วงจรปฏิจจสมุปบาทมันก็ขาดตอนมันไม่มันไปไม่ถึงมันไม่ต่อไปถึงอุปทานภพชาติชรามรณะเพราะฉะนั้นทุกทมนัดก็ไม่เกิดขึ้นนะเพรานถ้าเราเข้าจปฏิจจสมุปบาทในแง่นี้เนี่ยมันก็จะเกิดเกิดทิศทางในการปฏิบตัติก็ทาให้อ่มีความมั่นใจในการปฏิบัติ แล้วก็ไม่ไม่หลงทางนะในการปฏิบัติ ด, ด้วยเอาละคำนี้ก็พูดกันเท่านี้